ข้าแต่ท่านสมัพพว้อมพร้อมกับที่รู้ว่าปัธรรมาวาีจากไปแล้วยังไม่มีวันกลับนั่นเองความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็โหมเข้าท่วมทับจิตใจของข้าพเจ้าจนแทบจะกลายเป็นคนวิกลจริตไปทีเดียวข้าพเจ้าขังตัวเองอยู่ภายในไม่บริโภคอาหารไม่ดื่มน้ํา ในเจราจา ก, กับใครเป็นเวลาสองวันเต็มๆจนกระทั่งวันที่สามวันที่สามทำไมแ ล, ล, ล่ะจุลพลวันที่สามวิดาให้คนทําลายประตูปราสาทเข้าไปปลอบโยนข้าพเจ้าด้วยอุบายต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลเป็นเพราะท่านไม่ยอมฟังเหตุผลใช่ไหมข้าพเจ้าจะยอมรับได้ยังไงในเมื่อตอนนั้นความทุกข์ฝังแน่นอยู่ในอกไม่ได้ลดน้อยลงเลย ข้าพเจ้าไม่ได้แต่ต้องอาหารถึงสี่วันเต็มๆรู้สึกอ่อนระหวยโรยแลมหน้ามืดตาลายแทบจะสิ้นชีพตามปัตถมาวดีไปต่อมาวันที่ห้าข้าพระเจ้าจึงยอมบริโภคอาหารแต่ก็บริโภคด้วยความยากลำบากทั้งนถึงว่ายากลําบากแหละเพราะอาหารแต่ละคําผ่านลําคอลงไปอย่างยากเย็นประดุจก้อนโลหะที่มีน้ําแหลมคมโดยรอบ ในที่สุดท่านก็บริโภคอาหารด้วยความจำใจแท้ๆเพราะเห็นแกบิดามารดาความทุกข์ของข้าพเจ้าไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะข้าพเจ้าแต่ขยายไปครอบงำบิดามารดาญาติพี่น้องมิตรสหายตลอดถึงข้าทาสบริวารด้วยทุกคนต่างเป็นทุกข์เป็นร้อนกระวนกระวายใจไปกับข้าพเจ้าถ้าไปเป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอั น, น, น, น, อ น, น, น, นทางาน มารดาของข้าพเจ้าดูมันจะทุกข์มากกว่าใครอานั่งปลอบโยนข้าพเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะเห็นแก่มารดาแท้ๆข้าพเจ้าจึงยอมบริโภคอาหารส่วนบิดานั้นก็เลยว่างเว้นเหมือนกันบิดาท่านทําอะไรเหรอบิดาข้าพเจ้าใช้เวลาวิ่งเต้นหานักปราดราชบัณฑิตมาเทศนาสั่งสอนปลอบโยนข้าพเจ้าบุคคลแรกที่มาปลอบโยนข้าพเจ้าคือ ตามปุโรหิตประจำตะกูลผู้กระทําพิธีแต่งงานให้ข้าพเจ้า น, นั่นเองท่านปุโรหิตเป็นผู้เชื่อมั่นในลัทธิสางขยักเป็นสารสิทธิ์ของศาสดาก็มีท่านได้ําซสอนข้าพเจ้าวา่า นั้นคืออะไรล่ปประท่านโปรกิตกิจกรรมของประการ น, นั้นก็คืออาตมันหรือปุรชาหรือเทตกตันยูหรือเกษตรลัชยะอัตมันนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนเป็นอมตะภาพที่มีอยู่ชั่วกาลนิรันดรเป็นจริงบริจุดสะอาดไร้ราคทีมีความสุขชั่วนิรันดร นี่คือสัตย์จะทำประการที่หนึ่งสัตย์จะทำประการที่สองท่านปุโรหิตสัตย์จะทำประการที่สองก็คือประจิตได้แก่ทัพย์สิงที่เข้ามาประสมคลุกเคล้ากับอาตมันทําให้อาตมันเสียคุณภาพต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกระทํางกรรมและผลของกรรม เมื่อปรกิจเข้าประสมกับอาตมันแล้วตักระเจตประการก็เกิดขึ้นตักระเจประการมีอะไรตักระเจตประการมีพุท ธ, ธิหรือปัญญาหนึ่งอาหางการความเข้าใจว่าเป็นเราหนึ่งและปัญมากอีกห้าประการปัญมากหประการได้แก่อะไร ตั้งมาทาประการได้แก่ธาตุละเอียดของเสียงสัมผัสรูรสละกุนตัวสำคัญที่จุดก็คืออหังการคือความเข้าใจว่าตนเป็นตน ต, ต่างกว่าบุคคลอื่นความเข้าใจอันนี้เป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกและทำให้เกิดความทุกข์ฉะนั้น ขอให้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นว่าอันสังข า, า, ารร่างกายของเรานี้เป็นต่วนหนึ่งของปารกิซึ่งทำให้อาตจจมันภายในเศร้าหมองเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะหลงดิบถือว่าเป็นตัวเราถ้าเราหลงดิบถือก็จะเกิดทุกข์แม้สังข า, า, ารร่างกายของคนอื่นก็เป็นเพียงป า, ารกิจเช่นเดียว ถ้าเราหลงไปยึดถื อ, อก็จะเป็นเหตุให้เกิดมหันตระทุกการที่เจ้าประสบทุกข์อยู่ในเวลานี้น อ, อะไรเจ้ารู้ไหมข้าพระเจ้าไม่ทราบท่านปุรหิตช่วยชี้แจงให้ด้วยการที่เจ้าประสบทุกข์อยู่ในเวลานี้ก็เพราะเจ้าไปหลงยึดถือในสังขารร่างกายของปัธตมาวันี เมื่อรา น, นั้นดับดิ้นสิ้นลงเพราะมรณะเจ้าจึงได้รับทุกข์ทางที่ดีแล้วเจ้าจงคิดซะใหม่จะให้ค่าเจ้าคิดว่าย่างไงท่านปรโรหิตปัตตมาวาดีถึงแม้จะตายไปแล้วแต่อาตามันของเธ อ, อยังอยู่เพราะอาตามันเป็นอมตะภาพที่มีอยู่ชั่วนิรันดร์อาตามันของเจ้า ก็ยังคงอยู่ชั่วนิรันดรตามความจริงแล้วไม่มีอาตมันของเจ้าไม่มีอาตมันของปัทมาวดีไม่มีอาตมันของเราแล้วถ้าฉชนนั้นมีอาตมันของใครละ่ะท่านปุโรหิตมีแต่อาตมันสากลอันเดียวซึ่งมีอยู่ชั่วนิรันดรเพราะฉะนั้นความตาย จึงเป็นสิ่งไร้ความหมายสาหรับอาตามันในวาระสุดท้ายของเจ้าปัตามวีและมนุษย์ทุกคนจะกลับพื้นไปสู่อาตามันอันยิ่งใหญ่อีกขอให้เจ้าจงพยายามพิจารณาถ้าเจ้าพบความจริงข้อนี้แล้วเจ้าก็จะสบายใจข้าพระเจ้าไม่มีกิจิกกระใจที่จะเพ่งพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเมฆหมอกแห่งความทุกข์ ได้ิด บ, งบังดวงปัญญาของข้าพเจ้าไว้อย่างสิ้นชิงข้าพเจ้าไม่สามารถพิจารณาอะไรที่ลึกซึ้งได้ท่านอาจารย์จะมีวิธีใดบ้างปะที่จะสามารถบังเท้าทุกข์ของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนะักไม่มีท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมถูก เจามาทำไมหลักท่านอาจารย์ความทุกข์ของเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากยากที่จะบรรเทาได้ด้วยสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากปัญญาแต่ว่าบัรยากนะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็ควรจะพยายามทําถ้าต้องการระงับทุกข์ข้ า, าพเจ้าทราบดีว่า ทุกของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเหตุที่ทุกยิ่งใหญ่นี้เองเข้าพเจ้าจึงต้องบรรเทาด้วยวิธีง่ายๆและฉับพลันไม่ต้องการวิธียักยากและใช้เวลานานถ้าจะไปปราหารข้าพ เ, เจ้าขนาดนี้ก็เหมือนกับบุรุษผู้กําลังหิวจัดนอนหายใจแผ่วๆอยู่ด้วยความอ่อดเพียสิ่งที่เขาต้องการอย่างฉับพลันก็คืออาหารสําเร็จรูปซึ่งสามารถบริโภคได้ทันทีถ้าอย่างนี้คนป้อนก็ยิ่งเป็นการดี การที่จะแนะนําให้เขาไปปรึกษาเรื่องโภชนาอาหารอย่างละเอียดและให้เขาไปประกอบอาหารบริโภคเองนนั้คงเป็นไปไม่ได้นะพระเกศนี่ข้าพเจ้าจึงได้เชิญท่านอาจารย์มาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับข้าพเจ้าด้วยวิธีง่ายๆโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งนะักท่านอาจารย์มีวิธีอื่นได้ก็ขอได้โปรดแนะนํำข้าพเจา้าด้วยโอย้ไม่เอาลนะไปดีกว่า สดาปีละทําความปิดหวังให้กับปิดาข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงท่านค้าาสอบถามข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าท่านปุโรหิตาจารณแนะนําสั่งสอนอย่างไรบักข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาภายในห้องด้วยจิตใจอันกระวนกระวายถอนใจอย่างหนักหน่วงเป็นครั้งคราวครูใหญ่ จึงได้มันนั่งลงข้างๆครัพเจ้าลูกเอ้ยเรื่องนี้ได้ยาวิตกไปเลย มีช่องทางที่จะช่วยเจ้าให้พ้นจาก่วงทุกขให้ได้พ่อมีทางใดที่จะช่วยขา้าพระจับพ่อรู้จักกับโยคีผู้เคร่งในศีลคนหนึ่งมาบำเพ็ญยาหยุดอาสมริมฝั่งแม่น้ำจำปาพอจะส่งคนของพ่อวันิมนต์ท่านมาเทศนาให้เจ้าฟัง เสนอข้อท่านบิดาเร็่การหนึ่ง hmm. ด้วยใจจริงแล้วข้าพระเจ้ามาได้หวังในโยคียนี้มากนะักเพราะอะไรล่ะเจ้ละพลข้าพระเจ้าเคยทราบมาบ้างว่าโยคียทั้งหลายเป็นผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติโยคะเพื่อปลดปล่อยชีวาตมันหรืออาตมันของแต่ละคนให้เป็นอิสระจากมวลิ น, นและเข้ารวมกับวิญญาณสากลที่เรียกว่าปารมาตมันแม้จะไม่ทราบละเอียดนะ แต่ก็คิดว่กคงไม่แตกต่างกับทศนาของท่านปุโรหิตเล่าต่อไปเถอะจุลพลในที่สุดโยคีผู้มีนามว่าเทเวนทร์ก็เดินถือไม้เท้าเข้ามาในห้องลักษณะหน้าตาของท่านดูน่ากลัวกว่าหน้าเคารพบูชาทําไมจึงว่าน่ากลัวละ่ะท่านม้วนผมเป็นกระเซิงไว้วข้างบนงวดครารุ่มรากชายขี้เท้าทาตามตัวเสื้อผ้าขาดกระริง มือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหม้อน้ำทองเหลืองร่างผอมแก้มปอบดวงตาขมกึดคล้ายตาเหี่ยวเพราะเข้ามาในห้องท่านก็เริ่มสวดมนต์เริ่มต้นด้วยคมว่าโอมทันทีคล้ายๆกับจะขับไล่พูดผีปีศาจไปจากห้องและตัวของเข้าไปจกัก กุมารอันความทุกข์ในโลกนี้มีสามประการมีอะไรบ้างเหรอโยคาจันทุกสามประการที่ว่านั้นมีอัธยาจะมีทุกทุกเกิดจากเหตุภายในกายใจของตนหนึ่งอธิภาติกะทุกทุกเกิดจากเหตุภายนอกหนึ่งอทิไทยวิกะทุก ทุกอันเกิดจากเหตุเบื้องบนเช่นอำนาจของดาวประกาะเป็นตนสำหรับทุกขของเจ้าเวลานี้พอจะจัดได้ว่าเป็นทุกประการที่สองอาทิภาตะปิตทุกข์ใช่ไหมุกแล้วเจ้าทุกเพราะเกิดจากมรณะกรรมของมรยาแล้วเราจะพ้นทุกนี้ได้ ได้ทำยังไงโยคาอาจารย์การที่จะพ้นทุกข์กราร น, นี้ได้โบราณอาจารย์แนะนำะให้กระทาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติตามหลักโยคะแปดประการะาอะไรบ้างโยคาอาจารย์แปดประการ น, นั้นก็คือยมะสำรวมความประพฤติหนึ่ง นิยมการบำเพ็ญตนตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้หนึ่งอาสนะการนั่งให้ถูกวิธีหนึ่งปราณายมะการบังคับลมหายใจหนึ่งปรัตยาหาระการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายหนึ่งธารณะ การทำใจให้มันคงหนึ่งทยานะการเพ่งหนึ่งสมาธิการทำใจิตใจให้ตั้งมันหนึ่งข้าแต่ผู้ส่งท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลานี้ข้าพเจ้ากาลังลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์จะจงน้ตายอยู่ท่านตะกรุนายื่นมือของท่านมาให้ข้าพเจ้าจับแล้วจุดข้าพเจ้าขึ้นจากคลวงทุกทันทีไม่ได้เลย ําแนะนำมันยืดยาตามหลักโยคะของท่านนั้นเปรียบเสมือนแง่ให้คนที่กําลังจะจมน้ำตายไปตัด ต, ต้นไม้ลงถากไม้ต่อเรือมาช่ว ย, ดวยโดยข้ญญาพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้โอมโอมโอมโอมโอมดูกรกุมารเจ้าอย่าลืมว่าเวลานี้เจ้าเปรียบเสมือนคนป่วยหนักนอนแศร้อยู่บนธรณีแห่งความตาย บิดาของเจ้าได้ไปตามหมอผู้เชี่ยวชาญในเยชุระเวสมาทำการเยียวยาบัดนี้หมอมาถึงแล้วพร้อมโดยรวมยากำลังยืนยาคือโยคะขนาดชนาดให้เจ้าบริโภคฉันไหนเจ้าจึงปฏิเสธสละข้าพเ จ, จ้าไม่สามารถบริโภคยาของท่านได้ทำไมยาของท่านมีถึงสิบสองขนาด สิบสองขนานแล้วเป็นยังไงต้องใช้กำลังมากมามาต้องใช้ความพยายามในการบริโภคนักหนามากนะข้าพเจ้าอยู่ในอาการเพียยแปร่ปราศจากทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะบริโภคของท่านท่านไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้วและที่จะบรรเทาทุกข์แกข้าพเจ้าโดยไม่ปฏิบัติตามหลักโยคะทั้งสิบสองประการนะไม่มีเมื่อทาไม่ได เราก็ไปละ ขี่ความม้อถังหลืองเดินออกจากห้องไปดิดาหันมามองข้าพเจ้าดยสายตาแสดงความหวังแล้วก็ลุกเดินออกไปปล่อยให้ข้าพเจ้าปเผชิญทุกอยู่ในห้องคนเดียวแต่การอยู่ในห้องคนเดียวนิ่งเงียบกลับเป็นสิ่งดีของข้าพเจ้ า, ารู้สึกว่าใจสบายขึ้นดีด า, าของข้าพเจ้ากลับมาอีกทีก็เย็นมากแล้วคราวนี้ท่านไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งติดตามมาด้วย ตมาคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคงจะสวยมากถูกแล้วท่านผู้ทรงสิทธ์จากการมองเพียงแวบเดียวข้าพเจ้าก็รู้ได้ทันทีว่าเธอเป็นหญิงที่สวยมากคนนหึ่งแล้วยังไงต่อไปล่ะพ่อบิดาส่งหญิงสาวไว้ในห้องแล้วท่านก็กลับออกไปปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่กับสาวแปลกหน้าสองต่อสองตอนนั้นข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่าบิดาคงใช้วิธีน้ำยอกเอาหนามบ่งกับข้าพเจ้าไปนะ ขปเจ้ากำลังเศร้าโศเพราะสูญเสียพัญญาสุดที่รักบิดาจึงจัดหาหญิงสาวสวยพอๆกันมาให้เพื่อบำเรลิงขปเจ้าเป็นการตอบแทนแต่ยังไงต่อไปจุลพลหญิงสาวแปลกหน้าพูดรับภาษารบันเทาทุกแกข่ขพเจ้าขายับตัวเข้ามาใกล้ขพเจ้าซึ่งนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ไม่แสดงอาการสนใจใยดีแม้แต่น้อยแล้วนางก็พูดด้วยเสียงยอันไพเราะ อย่าเศร้าโศกไปเลยไม่มีประโยชน์หรอกความตายการสูญเสียการพัดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เป็นสิ่งที่แย่งแท้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนบัดนี้ภรรยาท่านได้ตายไปแล้วและไม่มีวันจะกลับคืนมาแม้ท่านจะร้องไห้จนน้ําตากลายเป็นสายเลือดก็ไม่มีประโยชน์แม้ข้าพเจ้าเองและท่านเองก็เถอะก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าบางที่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่ง น, นี้ ถูกแล้วความตายเป็นของไม่แน่นอนชีวิตมนุษย์สั้นเกินไปเราควรจะหาความสุขสําราญจากชีวิตอันสั้นนี้เป็นที่ก่อนที่มันจะแตกสลายดับสูญมาเธอจุลพลข้าพเจ้าจะช่วยท่านช่วยอะไรข้าพเจ้าช่วยให้ท่ามีความสุขยังไงล่ะข้าพเจ้าจะดํามเลิศท่านด้วยความนามอ่อนหวานและทุกสิ่งทุกอย่างที่จสตรีจะพึงมี แล้วสาวสวยก็ขยับมาทิดข้าพเจ้าเอามือเฉยทางข้าพเจ้าเอาแก้มของเธอแนบแก้มข้าพเจ้าและทําสิ่งอื่นๆอีกเพื่อจะให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์แต่ข้าพเจ้าหาได้เกิดความยินดีแม้แต่น้อยใหม่ตรงกันข้ามกลับรู้สึกรําคาญงุนง่านใจเหมือนกําลังถูกว่านอนสุกสนรบกวนข้าพเจ้าไม่ได้มองแม้แต่หน้าของเธอทอดสายตาลงต่ำ แล้วนำจิตเข้าอยู่อีกโลกหนึ่งข้าแต่ขันนักพดการเฉยเมยอของข้าพเจ้าทําให้หญิงสาวยุติความพยายามบําเบรข้าพเจ้าด้วยกายเธอถดถอยออกไปจากข้าพเจ้านั่นงนิ่งดูข้าพเจ้าอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่า บางทีท่านอาจไม่ชอบสัมผัสสตรีแต่ท่านอาจชอบเสียงของ ส, สตรีข้าพเจ้าจะร้องเพลงขับให้ท่านฟัง และเธก็ร้องเพลงพื้นเมืองมีเนื้อความไพเราะบุตรเสียงระฆังเงินเธอร้องเพลงตำนาความงามของป่าเขาลำดาไปความสุขของชาวอังค่ะในอดีตกาลความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวความสุขอันเป็นทิพนิกายในสวรรค์และความไม่เที่แท้แน่นอนของชีวิตแม้ข้าพเจ้าจะอยู่ในห้วงมหันต์ุกก็ต้องยอมรับว่า หญิงสาวร้องเพลงได้ดีเยี่ยมดุดนักร้องประจําสํานักที่เด่นท่านชอบเพลงข้าพเจ้าร้องไหมคงไม่ชอบสินะถึงได้นิ่งเงียบไม่ตอบไม่เป็นไดรบางทีท่านอาจชอบการฟ้อนรําก็ได้ข้าพเจ้าจะไล่รําให้ท่านชมเธอลุกขึ้นเดินไปกลางห้องแล้วเริ่มไล่ําในจังหวะและท่วงทานองต่างๆด้วยท่วงทีลีลานชํานาญดุดหญิงนักฟ้อนรําประจําเทพสัตว์น ข้าพเจ้ามองดูได้ดยดวงตาผิียงเพีงเดียวแล้วก็กมหน้านิ่งไม่ได้รับความบันเทิเริงใจแม้แตนอยทั้งที่ก่อนน้ข้าพเจ้าชอบการร่ายรำเป็นชีวิต จ, จิตใจทําให้ได้ข้อดคิดขึ้นมาอย่างนึ่งถ้าจิตใจไม่เปิดประตูรับสักอย่างอารมณ์ภายนอกแม้จะเลิร้ายสักเพียงใดก็ไม่มีความหมายความตายของปัตถามวดีกระทบระทือนจิตใ จ, จยอย่างรุนแรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความตายเสียงเพลงไทยรักของหญิงสาวคือเสียงแห่งความตายตัวหญิงสาวเองก็เป็นทูตแห่งความตายมาหลอกหลอนเพระเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่ยินดีในที่สุดหญิงสาวผู้โสภาก็จําต้องจากไปได้วยความล้มเหลวเช่นเดียวกับลายก่อน ดังดนั้นวดาของข้าพเจ้าก็ ม, มละความพยายามที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าพ้าพนถุกวันต่อมาท่านได้พานักบวชแก่คนหนึ่งชื่อคิพ ต, ตะทุลีเข้ามาหาข้าพเจ้าในห้องมาถึงก็นั่งสาธยายเวทเป็นภาษาสันสกฤตยาวเหยียบฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พอจะสรุปใจความว่าท่านสวดมนต์สันเสริญองค์พรหมผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและมนุษย์ และลิขิต ช, ชีวิตมนุษย์และสัตทั้งปวงคุณม่เกเรพน ท่านผู้ทรงเวทมีอะไรจะสั่งสอนข้าพระจ้กแถวต้องสราบคือว่าในสานกุลจะกวาดีพระพรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและพิทักษรักษาสิ่งทั้งปวงด้วยความรักความเอาใจใส่ดุจมาดาดูแลบุตรน้อยของตนเป็นความจริงเลยท่านผู้ทรงเวท เออจงแน่นอนพระองค์ทรงสรางมนุษย์ทุกคนขึ้นมาและทรงลิขิตชีวิตมนุษย์ทุกคนไว้ล่วงหนา้าจะให้ดีชั่วสุขทุกจะเอื้อเสื้อใหญ่ ใ, ญใญตอนใดระยะใดของชีวิตลิขิตของพระองค์เป็นสิ่งตายตัวแน่นอน ไม่มีสิ่งใดจะฟ่าฝืนแก้ไขได้ต้องกลมนารับลิขิตของพระองค์จนกว่าจะพ้นกำหนดการที่เจ้ากำลังประสบทุกข์อยู่ในขณะนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรท่านนักบทเพราะเป็นตอนที่พระองค์กำหนดให้เจ้ามีความทุกข์ การที่ปัตตมาวัดีตายก็เพราะพระอง์ริคิดให้ตายแล้วมีทางใดที่จะกระจัดทุกนี้ได้เอไม่มีทางใดที่เจ้าจะกระจัดทุกนี้ได้เลยนอกจากจะคุณนาแล้วรกคิตไปจนกว่าจะหมดกำหนดเขตเมื่อพ้นกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยุติลงโดยที่เจ้าไม่ต้องทำอะไร ขอให้อดทนจนกว่าจะหมดกำหนดนี่ขิกนั้นท่านพุทสงเวทถ้าพระเจ้าจำท่านพูดตอนนี้ได้ให้มีความสนใจเป็นอย่างมากแก่จำคาพูดตอนไหนได้ตอนที่ว่าพระพรมผู้เป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อสัตว์โดยทั่วนาดุจมารดากรุณาต่อบุตรน้อยของตอนท่านพูดดีนั้นใช่ไหมถูกแล้วครูบาล เพื่อความเมตตากรุณาของพระองค์นี่แหละเพะื่อองค์จึงทรงสร้างเราขึ้นมาและทรงให้การบำรุงรักษาเราเป็นอย่างดีข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระพรมผู้เป็นเจ้าท่านนี้เมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์จริงแต่ว่าเธอมีอะไรสงสัยนะข้าพระเจ้าใครจะขอถามท่านว่าสมมติว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นบิดาแล้วมีบุตรอยู่ในครอบครัวสิบคน ท่านจะรักบุตรทั้งสิบคนและให้การอุปถัมภ์บำรุงแก่เขาทั้งสิบคนเสมอหน้ากันหรือไม่บิดาที่ดีจะต้องให้ความรักและอุปถัมภ์บำรุงแก่บุตรทุกคนทุกนากันก็เมื่อพระ พ, พุทธผู้เป็นเจ้าอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาของสัตว์นห้นพระองค์จึงไม่รักบุตรในโลกให้เท่าเทียมกันหรอกทำไมเธอพูดเค่ง น, นั้นฮนะทาไมเธอจึงบังอาจกล่าวหาพระพุทธเป็นเจ้า ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเช่นนั้นเราข้าพเจ้าพูดเช่นนั้นก็เพราะเห็นความไม่เสมอภาคที่มีอยู่ทั่วโลกความไม่เสมอภาคถูกแล้วท่านก็สราบคัดแก่ใจว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นเศรษฐีขหาบบดีหรือราชามีทรัพย์มหาศาลใช้สอยถึงทั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดสิทธิ์แต่บางคนกลับเป็นยาจกวนิพก เลี้ยงีพด้การเที่ยวขอก็กินไปวันวันบางคนมีเกียรติมียศมีอํานาจเที่ยวคมขีเบียดเบียนผู้อื่นแต่บางคนก็ไร้ยศไร้อํานาจต่ําต้อยน้อยหน้าถูกเบียดเบียนบางคนมีสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคข่าพัดบางคนก็เป็นรังนอนของโรคอ่อนแอเจ็บตัวตลอดกาลบางคนก็มีอายุยืนยาวนับร้อยปีแต่บางคนก็อายุสั้น เกิดมาไม่ช้าก็ต่บความไม่เสมอภาคความเหลียมล้ำต่ำสูงความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เป็นผลแห่งการกำหนดล่วงหน้าของพระพรอย ง, งั้นเหลอถูกแล้วถ้าอย่างนั้นพระพรอมผู้เป็นเจ้าก็รักบุตรในโลกไปเท่ากันน่ะสิคืเอ